ประวัติพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตจะบับสมบูรณ์ภาคประวัติหลักตอนที่เจ็ดร่วมจัดทำรรโดยจันทราสินประสบ ก, กริติมาอ้อมนอกคุณแม่บุญชูจันสากริตินีทวีเกื้อกูลกิจร ส, สกรกุลเพิ่มทวีรัตน์พุทธศักราช2476ตอนพระอาจารย์มั่นจำพรรษาที่อรัญญปาภตา บ้านห้วยสายอําเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายรั้นเมื่อจำพรรษาอยู่ที่วัดเจดีหลวงด้วยความประสงค์ที่จะให้พระภิกษุสามเณรได้สนใจในการปฏิบัติโดยการที่ท่านแนะนำพร่ำสอนกับทั้งความเพียรซึ่งท่านได้กระทำเป็นตัวอย่างผลที่เกิดขึ้นนั้นน้อยมากทั้งนี้หมายความถึงธรรมะที่เกิดขึ้นภายใน ท่านเล่าว่าเมื่อออกพรรษาในปีที่แล้วก็เดินทุดงจากวัดเจดีหลวงเพื่อไปสแสวงหาความสงบต่อไปซึ่งตั้งใจว่าจะกลับมาแนะนำสั่งสอนประชาชนในเมืองเป็นครั้งคราวเพื่อให้ประชาชนชาวเมืองได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามสมควรท่านจึงมุ่งหน้าไปอำเภอสันทายอําเภอนี้ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่เท่าใดนักแต่ก็ลำบากมิใช่น้อยเพราะไม่มีถนนรถยนต์ใช้การเดินเท้าตลอด ตามที่ต่างๆก็มีหมู่บ้านเล็กๆเป็นแห่งๆไปท่านเล่าต่อไปว่าพยายามหลีกเลี่ยงหมู่บ้านใหญ่ๆเพราะกลัวคนจะมารบกวนจึงพยายามหาที่สงบเมื่อเห็นว่าสถานที่สงบดีก็พักอยู่นานแต่เมืองเชียงใหม่นี้มาลาเรียชุมนักมันเล่นงานท่านเอาหลายครั้งทั้งยาก็หายากใช้สมุนไพรแก้ไขกันไปตามเรื่อง บางครั้งก็ต้องใช้กำลังใจกำจัดมันก็หายไปได้ท่านได้เล่าต่อไปอีกว่าการเปลี่ยนบรรยากาศจากในป่าเข้ามาอยู่ในเมืองนั้นเป็นสิ่งควรทำเพราะจะเป็นการทดลองกำลังใจของคนที่ฝึกฝนมาแล้วเพราะหากว่าอยู่ป่าจำเจไปถ้าหากว่าไม่มีสติพออาจจะกระทาได้ให้เห็นว่าโลกนี้แค่ไปหรือจะอยู่แต่ในความสงบอันจะเป็นไปนตามโมหะ เพราะการอยู่ในป่านั้นไม่เกี่ยวข้องในความเป็นอยู่ในหมู่คนส่วนใหญ่การอยู่ป่าจึงมีส่วนดีและส่วนเสียอยู่เหมือนกันเพราะหากว่าเกิดเป็นทิฏฐิชนิดหนึ่งแล้วจะแก้ยากคือถือว่าการอยู่ป่านั้นวิเศษกว่าถือว่าเรานั้นวิเศษแล้วผู้ที่ไม่ได้อยู่ป่าถือว่าบุคคลผู้นั้นอยู่กลางกิเลสจึงถือเอาตัวเป็นใหญ่และทำทิฏฐินี้ให้ฝังอยู่ในใจตำหนิติโทษผู้อื่น อย่างนี้เป็นผลเสียเป็นอย่างยิ่งท่านเล่าต่อไปว่าในครั้งพุทธกาลพวกฤาษีจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในป่าหิมะพานท่านจะอยู่เป็นเวลาประมาณสี่เดือนในป่าหิมะพานนั้นแปดเดือนท่านจะมาอยู่กับมูชนจากคัมภีร์พระธรรมบทคุตกานิกายท่านอ้างว่ามีพระฤาษีจำนวนหนึ่งประมาณห้าร้อยคน มีโคสกะเศรษฐีเป็นที่คุ้นเคยในตระกูลนั้นสี่เดือนฤาษีทั้งห้าร้อยจะอยู่ในป่าหิมะพาน8เดือนฤาษีทั้งห้าร้อยจะมาหาเศรษฐีเพื่อจะได้ลิ้มรสอาหารนาน า, นาชนิดเพราะอยู่ในหิมพานประเทศนั้นได้ลิ้มแต่รสผลไม้ในวันหนึ่งฤาษีทั้งห้าร้ได้มาพักอยู่ใต้โคนต้นไทรต้นใหญ่มีร่มเงาสาขามาหึมาครั้นนั่งพักกันสักครู่แล้ว ฤาษีทั้งห้า้อยก็มีความสงสัยว่าต้นไม้ใหญ่อาจจะมีเทวดาสิงอยู่จึงได้พูดว่าหากว่าเทวดามีอยู่จริงแบบนี้พวกเราต้องการน้ำฉันเพราะกำลังกระหายเทวดาที่สิงอยู่ในต้นไทรนั้นก็เนรมิตน้ำให้ฉันฤาษีทั้งห้าร้อยองค์ก็พูดว่าเราต้องการอาหารเทวดานั้นก็เนรมิตอาหารถวารให้ฉันกันจนอิ่ม ฤษีพากันพูดว่าพวกเราต้องการเห็นตัวเทวดาเทวดาก็ปรากฏตัวให้เห็นกันจนทั่วถึงฤษีจึงถามเทวดาว่าท่านทําบุญอะไรมาเทวดาก็ไม่อยากจะบอกความจริงเพราะทําบุญมาน้อยมากแต่ฤษีได้อ้อนวอนโดยนานาประการเทวดาจึงบอกบุพกรรมตนเองว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญในชาติก่อนนั้น แต่ผมได้เกิดเป็นคนใช้ของท่านอนาถาบินทิกะเศรษฐีผู้ที่เป็นพุทธอุปถากรังนั้นผมเป็นคนใช้ใหม่ๆไม่ทราบถึงว่าวันพระหนึ่งหนึ่งพวกคนใช้ทั้งหมดจะต้องสมทานศีลแปดวันนั้นเป็นวันพระผมได้ไปทำงานตัดไม้ในป่าผมกลับมาแล้วมีความสงสัยมากว่าทำไมไม่มีใครรับประทานอาหารมื้อเย็นแม้แต่คนเดียวเขาได้จัดอาหารไว้ให้ผม ผมจึงสงสัยมากได้ถามว่าเขาทำไมไม่รับประทานอาหารในเวลาเย็นกันเลยได้รับคำตอบว่าวันนี้เป็นวันพระทุกคนในที่นี้ต้องสมาทานเสียนอุโบสถแม้แต่เด็กกินนมวันนี้ก็ต้องกินน้ำพึ่งแทนผมจึงได้เกิดความละอายแก่ใจและมีศรัทธาขึ้นมาทันทีจึงได้เข้าไปถามท่านเศรษฐีว่าผมจะขอสมาทานศีย อ, อุโบสถบ้างจะได้ไหม นาถาบินทิกาเสถียร์ก็บอกว่าได้แต่ได้เพียงกึ่งพระอุโบสถศีลเพราะวันนั้นเย็นแล้วผมคิดว่าแม้กึ่งอุโบสถก็ยังดีผมจึงสมาทานอุโบสถทันทีรั้นเมื่อผมได้สมาทานอุโบสถแล้วข่าที่ผมไม่เคยอดเข้าเย็นมาก่อนผมก็เกิดปวดท้องเป็นลมอย่างรุนแรงในเมื่อเวลาล่วงไปใกล้รุ่งได้รับทุกขเวทนาอย่างแรงกล้า เพื่อนๆผมก็บอกให้ผมรับประทานอาหารเสต็ะแต่ผมก็ไม่ยอมจนต้องถึงกับเอาผ้าของม้ามารัดท้องเพื่อผ่อนคลายความเจ็บปวดในที่สุดผมก็ไม่สามารถที่จะทนอยู่ต่อไปได้จึงทํากาลกิริยาตายในคืนนั้นเองโดยอ น, นิสง์กึงอุโบสถผมจึงมาเกิดเป็นเทวดาอยู่ในที่นี้อันพวกฤาษีถามแล้วว่า พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วหรืออุบัติขึ้นแล้วขณะ น, นี้ประทับอยู่ที่วัดพระเจตวันมหาวิหารนาครสสวัฏถีฤาษีเหล่านั้นมีความดีใจเป็นอย่างยิ่งรีบเดินทางไปพบเศรษฐีผู้ชื่อว่าโคสกะที่เป็นโยมอุปถากเพราะทุกๆปีหน้าแล้งก็จะมาพักอยู่กับเศรษฐีนี้เพื่อจะได้ลิ้มรสอาหารนอกจากผลไม้แต่การมาคราวนี้ของฤาษีห้าร้อย เป็นไปอย่างรีบด่วนเมื่อได้พบเศรษฐีแล้วก็รีบบอกเศรษฐีว่าบัดนี้พระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วในโลกท่านเศรษฐีจะไปในมรสการท่านหรือไม่พวกเราจะไปเดี๋ยวนี้เศรษฐีก็บังเกิดศรัทธาจากความบอกเล่าของฤาษีจึงบอกว่าพวกท่านหมู่ฤาษีจงไปก่อนเถอะผมจะตามไปที่หลังฤาษีทั้งห้าร้อก็รีบเดินทางไปพบพระพุทธเจ้า ได้เข้าไปนมสการณวัดพระเจตวันนครสาวถีเมื่อเข้าไปเฝ้าแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาอย่างพวกฤาษีเหล่านั้นให้สำเร็จเป็นพระอรหันต์โดยพลันเรื่องนี้หลังจากท่านเล่าให้ผู้เขียนโดยย่อแล้วท่านก็ได้อธิบายเป็นข้ อ, ขอว่าหนึ่ง การที่ประชาชนหรือคาวรวาสที่รักษาอุโบสถนั้นนับว่าเป็นกุศลแก่เขามากเพียงกึ่งอุโบสถก็ทำให้ได้บุญมิใช่น้อยเพราะเหตุนั้นควรจะแนะนำโยมรักษาอุโบสถให้มากก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 2. การที่ฤาษีบำเพ็ญญาจนสำเร็จอภิญญาแล้วได้มาฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้ว ได้สมเร็จเป็นพระอาหารหันต์นั้นท่านบอกว่าเพราะความพอเพียงแห่งพลานุภาพของจิตซึ่งฤาษีเหล่านั้นได้บำเพ็ญมาเพียงแต่ยังไม่ได้อุบายที่ถูกต้องเท่านั้นเพราะฌานของฤาษีเท่ากับสมถกรรมฐานแต่ยังไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานอันเป็นการกำจัดกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงดังนั้นเมื่อได้ฟังธรรมแสดงในทางวิปัสสนาจึงไม่เป็นของยาก าการลงมาจากภูเขาหิมะผานประเทศตามตำนานบอกว่าเพื่อลิ้มรสอาหารที่เผ็ดมันและอาหารรสเลิศต่างๆแต่เราเข้าใจว่าเป็นการทดสอบในเรื่องของจิตใจมากกว่าเพราะการอยู่ในป่านั้นสงบทั้งภายนอกหรือหาสีแสงของผู้คนหญิงชายความกระตุ้นของอายตนะภายนอกไม่มี ก็เหมือนกับสงบอยู่หรือเหมือนหมดกิเลสแล้วและยิ่งได้บำเพ็ญสมาธิก็ยิ่งเหมือนกับว่าสลัดแล้วซึ่งกิเลสจริงๆแต่นั่นเป็นเพียงการระงับยับยั้งกิเลสไว้ชั่วคราวเท่านั้นซึ่งพอมากระทบสีแสงฉาบสวยตรการตาผู้คนหญิงชายอันเป็นการ ม, มากิเลสตลอดจนสิ่งต่างๆอันเป็นเครื่องกระตุ้นจิตใจให้กำเริบขึ้นก็เกิดความหวั่นไหวคลอนแคลน ถึงจะไม่วันไหวมากเพราะกําลังจิตยังดีอยู่ก็ตามแต่ในเมื่อมันวันไหวแล้วความเร่าร้อนที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในคันทันดานย่อมเกิดขึ้นอุปมาประดุดดังไฟสุมแกลบนั่นทีเดียวพวกฤาษีทั้ง500องค์เหล่านี้ได้มาพิจารณาตัวตนของตัวเองโดยที่ไม่ได้ถือทิฏฐิมานะว่าเหล่านี้มีฤทธิ์ถึงกับเหาะเหินเดินอากาศได้ อีกทั้งมีคนร่ำรวยมียศถาบรรดาศัก์มาเลื่อมใสละทิฐิมานะอันจะมาเป็นเครื่องทางกลางกั้นความจริงเสียโดยพิจารณาถึงความจริงว่าเรายังมีความหวั่นไหวในใจที่ถูกกระทบกระเทือนอยู่ท่านพระอาจารย์มัน่นท่านได้ท้าความต่อไปว่าบุคคลผู้บำเพ็ญกรรมฐานทั้งหลาย ควรสำเนียกข้อนี้ให้มากเพราะถือว่าเอาทิฏฐิมานะเป็นเกณฑ์แล้วจะเสียผลเนื่องจากการเข้าใจตัวเองผิดผิดโดยการที่ตนเองมักจะตีความเข้าตัวเองอยู่เสมอเมื่อความดีเกิดขึ้นประมาณร้อยก็ตีความเอาว่าเรานี้ได้หนึ่งพันแต่การตีความเช่นนี้มันก็ไม่เสียหายอะไรและก็ไม่เป็นบาปด้วย เช่นเราทำสมาธิได้รูปฌานมาเข้าใจว่าเราได้อารูปฌานหรือกำลังพิจารณาความเกิดดับเป็นอุบายของสมถะขั้นต้นเข้าใจว่าตัวถึงวิปัสนาที่แท้จริงเหล่านี้คือการเข้าใจตัวเองผิดไม่เป็นบาปแต่ก็ทำให้เกิดการเนื่อนช้าเสียเวลาควรจะยอมรับความจริงเสียอย่ายกตัวเองให้มากไปเช่นมีร้อยเข้าใจว่ามีพัน เป็นอย่างนี้จะเสียเวลาเปล่าการบำเพ็ญความเพียรที่เขาได้ผลอย่างจริงจังนั้นระยอมรับความจริงโดยไม่หลีกเลี่ยงและมีความมุ่งหวังความพ้นทุกข์ด้วยความบริสุทธิ์ใจท่านพระอาจารย์มัน่นท่านได้อธิบายธรรมต่างๆนี้แล้ว ก็เล่าไปถึงการเดินธุดงครั้งนี้ด้วยความประสงค์จะไปให้ไกลจึงตัดทางไปทางจังหวัดเชียงรายที่ได้ข้ามขุนเขาไปยังธุระกันดานที่สุดและในสมัยนั้นไม่ต้องพูดถึงรถยนต์แม้แต่ถนนรถยนต์ก็ไม่มีนั่นั่นเป็นความพอใจเพราะต้องการวิเวกซึ่งเป็นการเหมาะสมสำหรับสมณนะและการไปครั้งนี้ ไร่เพื่อที่จะไปให้ใกล้แดนประเทศพม่าให้มากที่สุดเพราะท่านเคยทุดงไปประเทศพม่ามาครั้งหนึ่งแล้วท่านจึงรู้จักทางที่จะไปและสถานที่ที่จะทำความเพียรอันเป็นแหล่งวิเวกบางแห่งนั้นท่านเล่าว่าท่านยังชอบใจในภูมิประเทศหลายแห่งสมควรแก่การอยู่เพื่อบำเพ็ญสมณธรรมก็บ้านห้วยสายในเขตท้องที่อาเภอเวียงป่าเป้านี้ ก็เป็นญ่านที่พอเหมาะแก่การบําเพ็ญสมณธรรมเป็นอย่างยิ่งท่านจึงได้อยู่จำพรรษาท่านได้พูดว่าการอยู่ป่าเขาเมื่อจะอยู่นานได้นั้นต้องตรวจดูภูมิประเทศเกี่ยวกับอากาศอย่าให้อับเกินไปคืออย่าให้เป็นป่าทึบเราะจะทําให้เกิดความวิปริตแกัร่างกายและถ้าเป็นภูเขาก็อย่าให้สูงเกินไป จะทำให้เกิดไม่สบายเกี่ยวกับอากาศและการโคจรหากประสงค์จะทำความเพียรให้ได้ผลก็ควรจะหาชาวบ้านที่เป็นสัปปายะไม่รบกวนจนเป็นเหตุให้ต้องเสียเวลาการทำความเพียรคือชาวบ้านไม่แตกตื่นกันเพราะชาวเขาชาวบ้านในป่าลึกเขาไม่ใกล้แตกตื่นเหมือนชาวเมืองก็จะทำให้ไม่ต้องมีการกังวลมาก ท่านว่าคนตื่นเนี่ยมันยิ่งกว่ัวควายตื่นพอรู้ว่าพระหลวงพ่อขังมาอยู่บนภูเขาจะแตกตื่นไปพบกันใหญ่หลวงพ่อบางองค์กิเลศยังเยอะหลงไปกับความแตกตื่นอุตส่าห์ตัดถนนรถยนต์ให้คนเข้าไปหาเพื่อให้ความสะดวกแก่คนเลยแตกตื่นกันใหญ่ท่านว่าทำอย่างเนี้ยไม่ถูก เมื่อท่านเห็นว่าที่บ้านห้วยสายนี้เหมาะแก่การทำความเพียรอันจะเป็นผลทางใจอย่างนี้แล้วท่านก็ได้รับความอนุเคราะห์จากชาวบ้านโดยยกกระตอบถวายอ่ อ, อจะอยู่ได้ไม่ผิดพระวินัยแล้วท่านจึงปรารพความเพียรอย่างเต็มที่ภายในพัรศานี้ท่านได้เล่าให้กับผู้เขียนฟังว่าเราได้พิจารณาดูแล้วว่า ต่อไปการทำกรรมฐานของพระภิกษุสามเณรนั้นจะรุ่งโรดแต่จะไปรุ่งโรดในเมืองและการทุดงของพระภิกษุสามเณรนั้นจะเบาบางลงไปเพราะจะหาป่าเขาวิเวกยากยิ่งขึ้นประกอบกับความไม่เข้าใจของการทุดงที่จะทำให้เกิดผลอย่างแท้จริงมีแต่จะทุดงพอเห็นเหมาะก็สร้างวัดกัน เพื่อจะให้เป็นแหล่งบำเพ็ญสมณธรรมตามประเพณีไปเท่านั้นเพราะแต่ละแห่งญาติโยมเขาต้องการพระที่จะอยู่กับเขาสั่งสอนเขาให้ได้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติจึงทำให้เกิดเป็นวัดป่ากันมากขึ้นส่วนในเมืองทัท่วไปญาติโยมก็จะสนใจการปฏิบัติธรรมมากและจะเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดได้ผลบ้างไม่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยบ้าง แต่ก็ยังดีจะได้เป็นกําลังของการปฏิบัติท่านว่าผู้ใหญ่โตพ่อค้าวานิชชาวเมืองจะพากันสนใจกรรมฐานมากขึ้นในอนาคตผู้เขียนฟังแล้วยิ่งไตร่ตรองดูก็ยิ่งเห็นจริงขึ้นตามลำดับเมื่อมามองดูในยุค ป, ปัจจุบัน พุทธศักราช2477การอยู่เชียงใหม่ของท่านพระอาจารย์มั่นภูริคัตะเทระจำพรรษาที่ป่าเมียงแม่ปังอําเภอเปราวนับเป็นการเดินทุ ด, ดงที่มีความสำคัญอยู่ไม่น้อยในการเดินท่องเที่ยวอย่างโดดเดี่ยวในท่ามกลางคุณเขาลำนาไพรป่าไม้ดงดิบอันเป็นดงแห่งสัตว์ร้ายนานาชนิด ซึ่งมันจะสามารถทำลายชีวิตทุกเมื่อทุกขณะในเมื่อพระอาจารย์มันท่านได้วกวนท่องเที่ยวอยู่โดยการบำเพ็ญทุดงกรรมฐานแต่ความลำบากเหน็ดเหนื่อยในการบำเพ็ญเช่นนี้ก็หาได้เป็นอุปสรรคอะไรเลยสำหรับท่านยิ่งทมให้ท่านได้รับผลแห่งความบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปผู้เขียนได้สอบถามชาวบ้านในหมู่บ้านของอาเภอพร้าที่ท่านอาจารย์เคยพักอยู่ และชาวบ้านที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันซึ่งก็ได้เล่าให้ผู้เขียนฟังว่าขณะที่ท่านพระอาจารย์มั่นพักอยู่ในบริเวณนั้นซึ่งปัจจุบันเป็นสวนลำไยและมีหมู่บ้านน า, นานแน่นมากแต่ครั้งที่ท่านมาพักนั้นครั้งนั้นยังเป็นดงดิบมีสัตว์จำพวกเสือหมีหมูป่าเข้ามากินวัวควายทาร้ายผู้คนหรือไม่ก็เข้ามาทาลายวัตถุสิ่งของพลาพนต่างๆอยู่เสมอ ชาวบ้านเล่าว่าท่านได้แนะนำให้พวกเขาแสดงตัวเป็นพุทธมามะกะคือผู้รับเอาพระรัตนเป็นที่พึ่งผู้ใกล้ชิดพระรัตนตรัยและสอนให้พวกเขาเข้าใจในเหตุผลแห่งความเป็นจริงโดยไม่ให้มีความเชื่อถืออย่างงมงายไร้เหตุผลเพราะเหตุผลเป็นความจริงในพระพุทธศาสนาโดยท่านได้สอนเน้นถึงว่าคุณธรรมนั้นมีความสำคัญยิ่งนัก เช่นที่เราพากันกราบไหว้พระพุทธปฏิมา ก, ก่อนนี้มิใช่ว่าเราไหว้หรือนอบน้อมต่ออิดปูลทองเหลืองทองแดงทองคำหรือไม้ดินเพราะนั่นเป็นแต่เพียงวัตถุ ก, ก่อสร้างธรรมดาอย่างหนึ่งเท่านั้นเมื่อเราจะกราบไหว้พระพุทธรูปเราต้องกราบไหว้คุณธรรมคือมาระลึกถึงว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านตรัสรู้เองโดยชอบเป็นผู้ไกลจากกิเลสเครื่องยั่วยวน ซึ่งถ้าไม่ไกลจากกิเลสแล้วเราก็ไม่ไวหว้เราวหาเฉพาะท่านที่ห่างไกลจากกิเลสเท่านั้นอย่างนี้ชื่อว่าวหว้พระองค์ท่านด้วยคุณธรรมจึงจะไม่ชื่อว่าวหว้อิฐปูนเป็นต้นการวหว้พระธรรมซึ่งเป็นคุณธรรมที่มีอยู่ในพระพุทธองค์ก็เช่นกันโดยกล่าวคำเป็นต้นว่าสวาขาโตภคะวตาธรรมโม ทำมังนมัสมิพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมำสาการกราบไหว้พระธรรมนั้นเพราะถ้าพระธรรมหรือคําสอนที่กล่าวแล้วไม่ดีและเมื่อพิจารณาเห็นประจักษ์แล้วว่าไม่มีเหตุผลเราก็ไม่ไหว้ไม่นอบน้อมดังนั้นเราจึงไหว้แต่พระธรรมที่กล่าวดีมีฉะนั้นแล้วเราก็จะกราบถูกเพียงแต่ใบลานคือใบไม้ เราไปเข้าใจเสีอว่าใบาไม้คือธรรมะนี่ชื่อว่าไม่ถูกต้องเราจะต้องกราบให้ถูกให้ตรงต่อคําสอนคือพระธรรมของพระพุทธองค์อย่างแท้จริงสําหรับพระสงฆ์อันเป็นสาวกผู้สืบพระศาสนาคือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็มีนัยยะเช่นเดียวกันการที่เราให้ความเคารพ ก, กราบไหว้สการะก็โดยมาระลึกถึงว่า ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีการเป็นอยู่อย่างสงบไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ใครๆพร้อมกันนั้นท่านยังดํารงภาวะเป็นเนื้อนาบุญอันเอกอุกของชาวโลกดังนั้นเมื่อเราจะกราบไหว้เราก็กล่าวคําว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโคสังคังนามามิพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีชื่อว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ขปเจ้านอบน้อมกราบไหว้พระสงฆ์นั้นถ้าพระสงฆ์มีการปฏิบัติไม่ดีเราก็ไม่กราบเรากราบผู้ที่ท่านปฏิบัติดีอย่างนี้ชื่อว่ากราบถูกมิฉะนั้นจะเป็นว่าเรากราบคนหรือท่าศีเท่านั้นดังนั้นขณะที่เรากราบโดยกล่าวคำระลึกดังที่กล่าวมาแล้วและมีพระสงฆ์อยู่ต่อเฉพาะหน้าเราอาจจะไม่ถูกเรากราบถ้าพระสงฆ์รูปนั้นปฏิบัติไม่ดี เมื่อทำได้ดังกล่าวชื่อว่าเรากราบได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดสรุปแล้วกราบไหวใดๆก็ตามถ้าเรากราบโดยยึดเอาคุณธรรมเป็นที่ตั้งเป็นหลักแล้วเราจะไม่มีการกราบผิดเลยเพราะการกราบไหวโดวยเท้าความถึงคุณธรรมนั้นถึงจะชื่อว่าเป็นเหตุผลหรือสมกับเหตุผลนั้นก็คือกราบได้ไม่ผิด จึงจะได้รับความสงบร่มเย็นเป็นบุญผู้เขียนรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจมากที่ได้ฟังโยมเขาอธิบายถึงคำสั่งสอนของท่านพระอาจารย์มั่นที่เขาได้พากันจดจําเอาไว้และได้นำมาเล่าให้ฟังได้อีกจึงทำให้ได้ความจริงมาอีกข้อหนึ่งว่าท่านพระอาจารย์ท่านได้สอนคนบ้านนอกที่ไกลาการศึกษาให้เข้าใจถึงข้อเท็จจริง ซึ่งบางทีอาจจะดีกว่าผู้ที่ศึกษาแล้วอยู่ในเมืองหลวงเสียอีกโยมคนนั้นได้เล่าถึงท่านพระอาจารย์มันท่านสอนต่อไปว่าศา ส, สนาคือตัวของเราและอยู่ที่ตัวของเราเพราะเหตุไรก็เพราะว่าตัวตนของเรานี้เป็นที่ตั้งของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ ทรงแสดงธรรมก็ทรงแสดงถึงตาหูจมูกลิ้นกายและใจปฏิบัติก็ให้ปฏิบัติที่ตาหูจมูกลิ้นกายและที่ใจไม่เห็นให้ไปปฏิบัติที่อื่นๆนอกจากที่ดังกล่าวบางคนก็ว่าศาสนาอยู่ในคัมภีร์ใบลานโยมคนนั้นก็ได้รับอัธถาธิบายจากท่านพระอาจารย์มั่นว่าไม่ใช่อยู่ในคำภี์ใบลาน ก็ในใบลานหรือในกระดาษหนังสือทั้งหลายที่คนเรานั่นแหละไปจารึกไว้หรือไปเขียนไว้และทำมันขึ้นมาซึ่งถ้าคนไม่ไปเขียนหรือไปทำมันขึ้นมามันจะเป็นหรือมีขึ้นมาได้อย่างไรบางคนว่าศาสนาอยู่ในวัดวาอารามหรือพระสงฆ์โยมคนนั้นก็ได้รับอัธิบาศจากท่านพระอาจารย์มั่นว่าวัดนั้นใครเล่าไปสร้างให้มันเกิดขึ้นก็คนนั่นแหละ ประสงค์ใครเล่าไปบวชก็คนนั่นแหละบวชขึ้นมาก็เป็นอันศาสนาอยู่ที่ตัวของเราการที่เราจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติศาสนาจึงเป็นสิ่งที่ตัวเราจะต้องมีความรับผิด ช, ชอบถ้าไม่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบคือการละบาปบำเพ็ญบุญเราจะต้องไปทําชั่วซึ่งผิดศีลธรรมก็ต้องถูกลงโทษให้ได้รับความทุกข์ทรมาน ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือละความชั่วประพฤติความดีผลที่เกิดขึ้นก็คือความสุขสงบและความหลุดพ้นจากทุกข์ในที่สุดนี่คือการปฏิบัติพระพุทธศาสนาแล้วก็มีผลคือการปฏิบัติโดยการยกตัวของตนขึ้นจากหลมหลุมแห่งวังวนวัตสงสารเป็นตน้นผู้เขียนได้ฟังแล้วรู้สึกจับใจ และมาเข้าใจว่าคนที่อยู่ในตำบล น, นอ ก, นอกห่างไกลก็ยังมีความรู้ซึ้งในพระพุทธศาสนาได้ก็นับว่ายังดีมากแต่ก็เกิดขึ้นจากท่านผู้รู้ที่ยอมเสียสละความสุขส่วนตัวโดยเข้าเปยซ้อนให้รู้ธรรมะได้ท่านพระอาจารย์มันท่านได้เล่าให้ฟังว่าสำหรับอำเภอเพรา้าวนี้มีภูมิทาเลเหมาะแก่การบาเพ็ญเพียรทางใจ และเป็นสถานที่แปลกประหลาดอยู่เพราะมีภูเขาเรียงรายอยู่ทั่วๆไปที่แปลกคือภูเขาวงล้อมเป็นเหมือนกำแพงเมืองมองดูแตกไกลสูงตระหง่านงั้มตั้งอยู่เป็นระยะระยะและตอนใดที่เขาไม่จรด ถ, ถึงกันก็ปรากฏเป็นช่องเขาขาดดูประดุดหนึ่งประตูของกำแพงเมืองบริเวณเหล่านี้ เราจะเลือกเอาเป็นสถานที่สําหรับทําความเพียรได้สบายมากเพราะ บ, บริเวณนี้แวดวงด้วยขุนเขาและป่าละเมาะโปร่งสบายทุ่งนาก็มีเป็นแห่งๆสลับกับลําธารห้วยระแหงซึ่งมีอยู่โดยทั่วๆไปพร้อมกันนี้หมู่บ้านก็ตั้งเรียงรายอยู่กันเป็นย่อมๆ ม, มากบ้างน้อยบ้างพอได้อาศัยเป็นโคจระคามบินทบาทตามสมควรท่านจึงประรอในใจว่า สมควรจะได้อยู่พักเพื่อการบำเพ็ญให้นานสักหน่อยประกอบกับลูกศิษย์ลูกหาของท่านที่ได้รับคำสั่งสอนและปฏิบัติตามมรรคาที่ท่านได้แนะนำพร่มสอนแล้วก็ได้รับผลพอสมควรแต่ก็ยังมีข้อสงสัยหรือไม่ก็ผลที่ตนได้รับนั้นยังไม่เป็นที่พอใจซึ่งก็ได้พากันพยายามติดตามหาท่านอยู่ตลอดมาส่วนมากก็อยู่ทางภาคอีสาน และเมื่อท่านได้มาอยู่ทางภาคเหนือจึงพยายามเดินทางมาหาท่านเท่าที่โอกาสจะอำนวยให้จึงปรากฏว่าได้มีพระภิกษุสัมมเนนทางภาคอีสานเป็นจำนวนไม่น้อยได้พากันเดินทางมาพบท่านที่เชียงใหม่และเมื่อได้ข่าวว่าท่านอยู่ที่อำเภอเพรา้าวจึงได้ไปหาที่นั่นและก็มีมากขึ้นตามลำดับเพราะแต่ก่อนท่านพยายามไม่อยู่ที่ไหนนานผู้ติดตามไม่ใกล้จะพบ เมื่อท่านอยู่อำเภอนี้นานเข้าท่าไม่มีการเล่าหรือว่าท่านอยู่แห่งนี้นานพระภิกษุสมัมมเนนผู้ได้รับความเย็นใจจากท่านก็ได้โอกาสรีบติดตามเพื่อจะได้พบและต้องการฟังธรรมเทศนาของท่านท่านเล่า ว, ว่าในระยะนี้เราต้องการที่จะพบกับลูกศิษย์ลูกหาเหมือนกัน เราได้ปรับความเข้าใจในเรื่องปฏิบัติทางใจให้มีความละเอียดและมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องปรับปรุงเพราะการปฏิบัติจิตใจจะต้องศึกษาให้รอบคอบเนื่องจากว่าเป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่จะต้องมีประสบการณ์ในตนเองคือการกระทาที่เกิดขึ้นในใจนั้นมีหลายอย่างที่จะต้องใช้ปัญญาวิจารณาเหตุผลเพื่อให้การดาเนินไปในทางที่ถูกต้องจริง เปรียบเทียบเท่ากับพระไตรปิฎกในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปีนี้เคยมีพระอาจารย์ที่เคยเป็นศิษย์ของท่านในเมื่อท่านได้แนะนำสั่งสอนอยู่ในภาคอีสานจำนวนมากได้เริ่มคิดถึงท่านที่ได้จากมาอยู่ทางภาคเหนือหลายปีแล้วจึงต่างก็ได้คิดจะติดตามเพราะขณะที่ได้อยู่กับท่านนั้นได้รับผลทางใจมากเหลือเกิน จนมีความมหัศจรรย์มากมีอุปมาเหมือนเปิดของที่ปิดงายของที่ควา่าซึ่งในขณะนั้นการปฏิบัติทางด้านจิตใจยังงม ง, งายกันมากหากท่านพระอาจารย์มั่นได้มาปรับปรุงแนะนำปฏิบัติเข้าทางจึงทำให้เกิดความจริงขึ้นจนเป็นที่เชื่อมั่นในตนอย่างหนักแน่นเข้าข่าวความดีของการปฏิบัติทางด้านจิตใจหรือการปฏิบัติกรรมฐานได้แพร่สะพัด ไปอย่างรวดเร็วทำให้ผู้หวังดีอยากพ้นทุกข์ได้น้อมตัวเข้ามาเป็นสิทธิ์เพื่อการอยู่ปฏิบัติกับท่านจำนวนมากขึ้นทั้งพระธรรมยุทธและพระมหานิกายเพราะการปฏิบัติทั้งทางด้านพระธรรมวินัยและการปฏิบัติทุดงตลอดถึงกิจวัตรต่างๆได้แนะนำและพาปฏิบัติอย่างเ ร, งร่งรัดและเหมาะสมซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีหมู่ใดคณะใดกระทาได้ เพราะผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามปฏิปทาของท่านพระอาจารย์มั่นนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธทิภาพจริงๆด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีการตื่นตัวในเรื่องของการปฏิบัติทางใจมากขึ้นแม้จะอยู่ในวงของภิกษุแต่ก็มั่นคงและแผ่ออกถึงญาติโยมในปัจจุบันในระยะเพียงไม่กี่ปีความขยายตัวของคณะปฏิบัติก็กว้างขวางออกไปอย่างมากพอสมควรทีเดียว นับเป็นประโยชน์ทั้งแก่ภิกษุสา ม, มนเณรและอุบาสกอุบาสิกาในระยะแรกนี้ท่านพระอาจารย์มันท่านได้ภาคณะิทธิ์เที่ยวทุดงเพื่อวิเวกวกเวียนอยู่เฉพาะภาคอีสานในถ้ำภูเขาป่าใหญ่เพราะการทุดงนั้นมีความมุ่งหมายที่จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติทางใจจริงๆในกรณีนี้ท่านเอง มีความชำนานลู่ทางการไปมามากท่านจึงแนะนำแก่สิทธิ์ได้ถูกต้องควรจะไปอยู่ถ้ำโน้นถ้ำนี้เขาโน้นเขานี้หรือที่ป่าโน้นป่านี้เป็นต้นเมื่อได้ทุดงไปทำความเพียรในที่ต่างๆปฏิบัติได้ผลอย่างไรทุกๆองค์ก็นำไปศึกษากับท่านต่อไปและทุกครั้งที่มีการศึกษานั้นก็จะรับความกระจ่างแจ้งอย่างดียิ่ง เมื่อเป็นเช่นนี้ผลก็เกิดขึ้นทำให้ได้รับความก้าวหน้าของการดาเนินได้เป็นอย่างดียิ่งซึ่งยังไม่เคยมียุคใดในครั้งกรุงรัตนโกสินทร์ที่จะบังเกิดผลแห่งการปฏิบัติ ด, ด้านจิตใจที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับครั้งที่ท่านพระอาจารย์มั่นได้กระทำขึ้นที่กล้ากล่าวเช่นนี้เพราะเป็นความจริงซึ่งผลปรากฏจนถึงปัจจุบัน ผู้ที่ดําเนินจิตเป็นลูกศิษย์ของท่านนั้นนับมาแต่ท่านอาจารย์สิงคขันตยาขโมพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาภโลพระอาจารย์เทเสธรังสีพระอาจารย์อ่อนยานสิริพระอาจารย์ฟ้านอาจารโรพระอาจารย์แหวนสุจินโนพระอาจารย์กงมาจิรปุญโยพระอาจารย์ขาวอนาลโยพระอาจารย์ชอบพระอาจารย์บัวยานาสัมปันโนรุ่นสุดท้ายก็ผู้เขียนและพระอาจารย์วันอุตตโม ยังมีอีกนับได้กว่า800องค์ที่เป็นสิทธิของท่านทั้งยังมีชีวิตอยู่และทั้งมรณภาพไปแล้วซึ่งท่านเหล่านั้นก็ได้ทำกิจพระศาสนาได้รับผลประโยชน์อย่างยิ่งทั้งตัวของท่านและผู้อื่นผู้เขียนจึงกล้าพูดว่าไม่มียุคใดที่การปฏิบัติ จ, จิตใจได้ถูกฟื้นฟูขึ้นเท่ากับยุคนี้แต่ก่อนพระอาจารย์มั่นเริ่มปฏิบัตินั้น ก็ยังไม่เห็นมีการปฏิบัติกันเท่าไหร่และดูอย่างลึกลับอยู่มากหลังจากศิษย์ของท่านได้รับความจริงในด้านนี้แล้วนําเผยแพร่ทั่วประเทศไทยความตื่นตัวเรื่องการปฏิบัติจึงมีขึ้นเนื่องจากว่าอุบาสกอุบาสิ ก, กาได้รับผลคือความเยือกเย็นสบายเห็นความบริสุทธิ์แท้จริงจากศิษย์ของพระอาจารย์มั่นมากขึ้นตามลําดับเพื่อ น, นํามาปฏิบัติทางด้านจิตใจกันขึ้นมาก ถ้าหากไม่รีบหาวิธีปฏิบัติแล้วญาตโยมอุบาสกอุบาสิกาก็จะต้องหันมาศึกษาการปฏิบัติกับพระที่เป็นศิษฐ์ท่านพระอาจารย์มั่นเสียหมดจะทำให้ประโยชน์บางประการของคนอื่นต้องเสียหมดไปจึงปรากฏมีการตื่นตัวของสำนักวิปัสสนามากมายเกิดขึ้นถูกบ้างผิดบ้างไปตามเรื่องของศาสนาแต่ลัคณะผู้เขียนได้รับประสบการณ์จากศิษฐ์พระอาจารย์มั่นเช่นเดียวกัน เพราะขนาดนั้นผู้เขียนอายุเพียง13ปีเท่านั้นและขณะนั้นพุทธศักราชสองนก็มาได้ความดีของการปฏิบัติจิตอย่างน่าพิศวงจนถึงกับบวชปฏิบัติกับสิทธิพระอาจารย์มั่นจนได้ติดตามปฏิบัติถึงกับได้ไปอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นแต่ก่อนนี้ผู้เขียนยังไม่เห็นมีการปฏิบัติวิปัสสนาเลยผู้เขียนเองยังถูกชาวบ้านเข้าตาหนิว่า การปฏิบัติวิปัสสนานั้นเดี๋ยวจะบ้าและเขาพูดว่าไม่มีประโยชน์บางพวกก็พูดว่ามรรคผลไม่มีแล้วดูดูมันก็มืดมนเลอเกินในครั้งนั้นผู้เขียนยังว่าไม่มียุคใดในกรุงรัตนโกสินทร์ที่จะเหมือนกับพระอาจารย์มัน่นพูริทัตเทระได้ฟื้นฟูการปฏิบัติวิปัสสนาจเจริญถึงขั้น พุทธศักราช2478การอยู่เชียงใหม่ของท่านพระอาจารย์มั่นภูริธธทัตเตระทุ่งมาเข้าอำเภอรพร้าวดังได้กล่าวแล้วว่าในท้องที่อำเภอรพร้าวนั้นมีที่วิเวกเหมาะสมกับการบําเพ็ญกรรมฐานมากท่านพระอาจารย์มั่นท่านเดินทุดงวกเวียนอยู่ในอำเภอ t h i หลายปีด้วยเหตุนี้ จึงทำให้คณะสิทธิ์ของท่านที่ได้ถูกอบรมไว้แล้วโดยส่วนมากอยู่ทางภาคอีสานที่พยายามสืบเสาะหาพระอาจารย์มั่นว่าอยู่แห่งหนตำบลใดจึงได้ข่าวว่าอยู่ทางอําเภอรพร้าวต่างก็หาวิธีที่จะมาหาท่านด้วยความยากลาบากโดยเฉพาะส่วนมากก็เดินด้วยเท้าบางองค์บางท่านพยายามฟังข่าวและเสาะหาท่านอยู่หลายปีกว่าจะพบ บางท่านก็ได้พบง่ายคือพอรู้ว่าสิทธิ์จะมาและสิทธินั้นอาจจะมีความสำคัญในอนาคตหรือจะเป็นกำลังให้แก่พระพุทธศาสนาท่านจะเอาใจใส่พิเศษเพื่อให้เกิดผลทางใจท่านจะถือโอกาสไปคอยรับการมาทีเดียวเป็นความประสงค์ของท่านที่จะรวมสิทธิอีกครั้งตามที่ท่านเล่าให้ผู้เขียนฟัง เพราะหลังจากการทุดงแสวงหาความสงบพิจารณาถึงปฏิปทาต่างๆแล้วสมควรจะแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่ยังบกพร่องอยู่ให้เต็มพร้อมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นฉะนั้นจึงไม่แปลกอะไรที่คณะสิทธิ์ของพระอาจารย์มั่นในปัจจุบันที่มีความสามารถมากกับเป็นที่เคารพนับถือจากพุทธบริษัทโดยทั่วไปจึงปรากฏว่า พระอาจารย์จากภาคอีสานได้เดินทางไปพบกับท่านที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะอำเภอนี้ก็ถูกความประสงค์ของท่านโดยไม่ต้องไปนิมนต์หรือสั่งการให้มาแต่เป็นความต้องการหรือความประสงค์ที่ตรงกันเกิดขึ้นทางสิทธ์ต้องการจะพบเพื่อจะได้ศึกษาธรรมให้สูงยิ่งขึ้นทางอาจารย์ต้องการจะพบจะได้แก้ไขปรับปรุงที่ได้สอนไว ให้มีความบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นและให้ได้ผลยิ่งขึ้นความประสงค์ตรงกันหลังจากท่านพระอาจารย์มั่นจากสิทธิ์ไปประมาณ8ปีนับแต่บัด น, นั้นเป็นต้นมาพระเถรานุเทร า, ทราจํานวนมากจึงหลั่งไหลขึ้นเชียงใหม่เพื่อการเข้าพบหาท่านพระอาจารย์มั่นทางกิตติศัพท์ก็กําลังเลื่องลือว่าท่านเป็นผู้มีความบริสุทธิ์และมีความสามารถ ในอันที่จะแนะนำศิทยาานุสิตให้ได้รับผลทางใจผู้ใดต้องการความสงบหรือความพ้นจากทุกข์แล้วก็จะไปหาไปพบหรือไปอยู่กับท่านก็จะได้ผลอย่างเต็มที่ทีเดียวข่าวนี้เป็นที่ทราบดีในขณะนั้นผู้เขียนก็พึ่งบรรพชาเป็นสมเณรได้เพียงสองพรรษาข่าวความดีงามในการปฏิบัติของท่านพระอาจารย์มั่นก็ส่งเข้าสู่ใจของผู้เขียนตลอดทุกระยะเวลา ทำให้เกิดความกระตือรือร้นในอันที่จะต้องการพบท่านเป็นอย่างยิ่งแต่ขณะนั้นโอกาสยังไม่ให้เลยประกอบกับผู้เขียนยังอยู่กับพระอาจารย์กงมาจิราปุญโญและการปฏิบัติกรรมฐานยังอยู่ในขั้นที่ยังใช้ไม่ได้ดีท่านอาจารย์กงมาท่านว่าเนร์อยากไปหาท่านอาจารย์มั่นหรือท่านเนร์มีภูมิจิตแค่เนี้ยมีหวังโดนตุ่มเดียวพัง ท่านอาจารย์กงมาท่านหมายความว่าใครที่มีภูมิจิตอ่อนโดนท่านดุเอาก็สู้ไม่ไหวก็เป็นเหตุให้ผู้เขียนพยายามบำเพ็ญจิตอย่างหนักตลอดมาแต่จนแล้วจนรอดผู้เขียนก็ไม่ได้โอกาสที่จะขึ้นไปพบพระอาจารย์มั่นที่เชียงใหม่จนท่านพระอาจารย์มั่นไปพักอยู่บ้านเดิมของอาจารย์กงมาท่านจึงพาผู้เขียนไปพบพระอาจารย์มั่นสมใจ เมื่อปีพุทธศักราช 2,485 เมื่อคณะสิทธิ์ทั้งหลายไปพบพระอาจารย์มากขึ้นท่านได้พาเที่ยวทุดงไปตามป่าเขาถ้ำตามที่เห็นสมควรแล้วท่านก็แนะนำปฏิปทาข้อควรปฏิบัติต่างๆจนเป็นผลในทางจิตมากขึ้นได้รับประโยชน์อย่างที่เป็นปึกแผ่นยิ่งขึ้นเนื่องจากการกระทาที่ท่านทาให้เป็นตัวอย่างนั้นหนึ่ง และการแนะนำไปตามความเป็นจริงเกิดขึ้นนั่นหนึ่งซึ่งการเช่นนี้น้อยนักที่ผู้เป็นอาจารย์จะหาโอกาสช่วยสิทธิ์ให้ได้ถึงขนาดนี้เป็นหลักการที่ไม่ใกล้จะปรากฏในที่ต่างๆเพราะเหตุว่าการกระทำเช่นนี้ต้องมีความหนักแน่นหวังเพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและแก่มนุษยชาติอย่างแท้จริงจึงจะทาได้เราะจะต้องเหน็ดเหนื่อยลาบากและทุรา ก, กัรดาน ตลอดถึงการเอาจิตใจเข้าพัวพันโอบอ้อมระวังเพื่อให้ผู้ดำเนินได้เดินไปในทางที่ถูกตลอดเวลาการและสถานที่ช่างเป็นใจอะไรเช่นนั้นเหตุคือความเจริญของท้องถิ่นแต่ละแห่งในแถบนี้ยังเป็นลักษณะบ้านป่าแม้แต่ตัวอำเภอเองตลอดถึงอุปนิสัยใจคอของคนบ้านนี้ก็ยังไม่รู้วัฒนธรรมต่างชาติ ที่จะเข้ามาครอบคลุมเกาะกลุ่มจิตใจให้ละเมอเพ้อพกไปจนถึงทาตนให้หลงจากวัฒนธรรมอันดีงามของพระพุทธศาสนาจึงทำให้คณะกรรมฐานในสายของพระอาจารย์มั่นซึ่งต้องการความสงบวิเวกปราศจากความปริพภทืคือความห่วงกังวลได้เป็นไปตามความประสงค์ของท่านเป็นอย่างดีโดยความเชื่อฟังซึ่งท่านบอกแนะนาให้มาทาบุญตักบาตร ฟังทำในเวลาที่ควรไม่ต้องมาเป้าแหนรบกวนอยู่ตลอดเวลาตลอดถึงบอกให้รู้ว่าพระคณะนี้ต้องการความสงบเขาทั้งหลายก็เชื่อฟังมีตั้งคอยดุดาเอาในเมื่อผู้คนมารบกวนความสงบทั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้แก่พระภิกษุสมมเนนที่จะเชื่อฟังโอวาทของท่านพระอาจารย์อย่างเต็มเปี่ยมไม่มีการบกพร่อง เป็นเหตุให้ต่างก็ได้รับความรู้อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างสิทธิ์กับอาจารย์จะพึงได้ด้วยเหตุอย่างนี้จึงทําให้สิทธิ์ของพระอาจารย์มั่นแต่ละองค์ที่ได้รับการฝึกฝนทรมานแล้วเป็นพระเทระผู้ทรงคุณวุฒิในเวลาต่อมาจนถึงได้ทําคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาอย่างกว้างขวาง สถานที่ที่ท่านจำพรรษานั้นทุกๆุกแห่งได้เกิดเป็นสถานที่มีความสำคัญขึ้นในปัจจุบันเพราะต่างก็มาคิดกันว่าท่านผู้ทรงคุณวุฒิในทางใจเช่นท่านพระอาจารย์มั่นนี้เมื่อท่านไปอยู่ที่ใดก็ควรจะสร้างอนุสรณ์ขึ้นในที่นั้นๆเพื่อจะได้ตามระลึกถึงข้อปฏิบัติที่ท่านได้แสดงให้สิทธิอันทราบึ้งนั้นจึงไม่เป็นการแปลกประหลาดอะไร ในเมื่อเราจะได้เห็นภาพอนุสรณ์ของสถานที่แต่ละแห่งที่ท่านจำพรรษาอยู่เพราะบรรดาสิทธิ์ของท่านที่กำลังทำการเผยแพร่พระธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตามกุสโลบายของพระอาจารย์มัน่นตนของตนก็ได้รับความสงบเย็นใจและกายและผู้ที่ได้รับฟังคำสอนก็เย็นใจผลที่ได้รับนั้นประมาณค่าไม่ได้ จึงไม่เป็นของน่าแปลกอะไรเลยที่เขาเหล่านั้นจะได้พยายามเสียสละทุนทรัพย์อันเป็นของภายนอกเพื่อก่อสร้างอนุสอนในที่แต่ละแห่งที่ท่านเคยอาศัยอยู่จำพรรษาทั้งนี้ก็เพราะมาเห็นคุณประโยชน์ที่ได้รับทางจิตใจจากการพร่ำสอนของท่านพระอาจารย์มั่นนั้นซึ่งแต่ละคำมีค่ายิ่งกว่าเงินทองตามสามัญธรรมดาของเราชาวพุทธ ต่างก็ทราบกันดีว่าอันเงินทองธนสารสมบัติใดๆในโลกนี้นับว่าเป็นโลกิยัพยั์ซึ่งต้องตกอยู่ภายใต้กฎแห่งตรลักษณ์คือเป็นของที่จะผุพังเสื่อมสลายนำติดตนตามตัวไปไม่ได้ในปอรพกแต่ซั์อันยอดเยี่ยมคือโล ก, กุตระซัพ์นั้นอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ของสามั ญ, ญลักษณะหรืออยู่เหนือธรรมชาติเพราะไม่สูญสลาย สามารถที่จะให้ความสุขกายสบายใจให้ความเยือกเย็นแก่จิตใจร้อมกันนี้โลกุตระซั์อันนี้ยังติดตนตามตัวไปทุกภพทุกชาติถ้าหากจะย้อนหลังจากปัจจุบันไปอีกสัก38ปีโดยหวนกลับมาระลึกถึงภาพพจน์ในอดีตอันประกอบไปด้วยป่าเขาลำนาวไพร เรียบร้อยไปด้วยเสียงจักรจันและเรไรในเขตพื้นที่อำเภอพร้าวซึ่งเราจะไม่เห็นรถยนต์เราจะไม่เห็นตึกร้านบ้านเรือนอันสูงตรงานระเกระกะเราจะไม่เห็นสายเสาไฟฟ้าอันกอบด้วยแสงสีสว่างประกายแวววับระยิประยับจากหัวใจของคนในยุคที่กล่าวกันว่าศีวิไลน์นี้แต่จะเห็นเพียงทางเดินด้วยเท้าหรืออย่างดีก็ทางเกวียนที่ลากด้วยวัว ซึ่งนับว่าเป็นทางยาวเหลือประมาณเมื่อคำนวณจากตัวเมืองเชียงใหม่แล้วก็ประมาณ80กว่ากิโลเมตรแม้แต่แสงไฟซึ่งใช้ตะเกียงโคมต่างๆอย่างดีก็แค่ตะเกียงเจ้าพายุดังนั้นสภาวะอย่างนี้จึงเป็นบรรยากาศดีมากเหมาะสำหรับนักปฏิบัติที่สแสวงหาความวิเวกทางกายและทางจิตแม้แต่เพียงเดินไปไม่กี่กิโลเมตร ก็จะพบสถานที่ที่สงบสงัดแล้วท่านพระอาจารย์มันท่านเล่าให้ผู้เขียนฟังว่าเมื่อเราได้ที่สงบดีจะแนะนำธรรมะต่างก็ดีไปด้วยเป็นเหตุให้พิจารณาได้ลึกซึ้งเทศนาได้ลึกซึ้งเพราะผู้ฟังก็สงบผู้แสดงก็สงบสถานที่ก็สงบจึงนับว่าเป็นสัปปายะ เท่ากับเป็นการส่งเสริมเกื้อกูลให้ซึ่งกันและกันหากว่าผู้ฟังสงบผู้แสดงสงบแต่สถานที่ไม่สงบมีเสียงอื้ออึงก็จะทำให้ไม่ได้ผลทำให้เสียผลไปถึง 30% เปอร์เซนซึ่งแม้ว่าธรรมะนั้นจะเป็นธรรมะที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งสุ ข, ขุมคัมภีรภาพไพเราะนุ่มนวลควรแก่การสดับสักเพียงใดก็ตามผลก็จะไม่ได้เต็มที่ น่าเสียดายทำไมจึงเป็นเช่นนั้นท่านได้เปรียบเหมือนกับน้ำที่เต็มขันเมื่อเราถือเดินไปขยอกไปมันก็หกไปโดยเหตุนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องหาสถานที่สงบสงัดแสดงธรรมจึงจะประสบผลอีกประการหนึ่งเล่าผู้ฟังไม่สงบคือไม่ได้ตั้งใจจดจอ่อ ทำใจส่งไปที่อื่นๆตลอดถึงพูดคุยกันอันนี้จะต้องเสียผลไปถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์พราะขาดภาชนะที่รองรับคือผู้ฟังเหมือนกับน้ำที่ตกลงมาจากท้องฟ้าผู้ต้องการน้ำฝนแต่รองรับน้ำฝนด้วยภาชนะรั่วแม้ฝนจะตกมาสักเท่าใดก็ไม่สามารถจะขังอยู่ได้พระธรรมแม้จะดีสักเพียงใดก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟังไม่มีความตั้งใจแล้วธรรมะนั้นก็ไร้ผลสำหรับผู้แสดงไม่สงบคือการแสดงธรรมโดยจับคัมภีร์อ่านบ้างนึกถึงธรรมะตามหัวข้อที่จำได้บ้างไม่ได้บ้างอัตโนมัติเองเสียบ้างแสดงธรรมติดตลกบ้างแสดงธรรมโดวยวังเพื่อการเทศบ้างเหล่านี้ชื่อว่าความไม่สงบของผู้แสดง ผลที่ได้รับก็มีไม่ถึงห0าสิบเปอร์เซ็นท่านพระอาจารย์มั่นท่านว่าความสงบจากผู้แสดงความสงบจากผู้ฟังความสงบจากสถานที่ประกอบกับผู้แสดงผู้ฟังมีความภูมิใจนั่นเองที่จะได้รับผลเต็มที่นี้เป็นความจริงซึ่งผู้เขียนและสหธรรมิกพร้อมกับครูบาอาจารย์ของผู้เขียน ได้รับผลมาแล้วในอดีตพุทธศกราช 2,479 จำพรรษาที่เขามูเซอร์อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายท่านพระอาจารย์มั่นเล่าให้ผู้เขียนฟังว่า เมื่อคณะสิทธิ์พากันมาหามากขึ้นทั้งเก่าและทั้งใหม่ท่านอบรมธรรมะอันเป็นภายในที่มีความสำคัญตามสมควรแล้วท่านก็แยกย้ายกันไปหาสถานที่วิเวกตามอัธยาศัยส่วนตัวของท่านก็เลือกเอายอดเขาที่พวกชาวเขาเหล่ามูเซ อ, อันเป็นยอดเขาลูกหนึ่งที่สูงมากในอำเภอแม่สายแห่งนี้และมีหมู่บ้านประมาณสิบครอบครัว อากาศบนยอดเขานี้หนาวตลอดปีบ้านพวกชาวเขาที่พวกเขาอยู่กันได้สร้างขึ้นด้วยไม้และมุงหญ้าทำไม้เป็นแผ่นมีทั้งกระพีและเปลือกถากเป็นกระดานล้อมรอบบ้านทุกๆอย่างแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงก็ให้อยู่ในบ้านหมดทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าอากาศหนาวจัดแต่มีกลิ่นสาบน่าดูถึงเช่นนั้นพวกเขาก็สามารถอยู่ได้เพราะความเคยชินนั่นเอง ท่านเล่าว่าพวกชาวเขาเหล่านี้รูปร่างก็ไม่เลวแต่หนักไปทางคนจีนอยู่ไม่น้อยท่านพรารบว่าการอยู่ในที่วิเวกเป็นเหตุให้จิตใจไม่คิดถึงโลกภายนอกซึ่งมีแต่ความนึกคิดนี้หดตัวเข้ายิ่งนานวันก็ยิ่งมีแต่ความมากน้อยในการนึกคิดมากเข้านี้เป็นธรรมชาติช่วยให้เกิดประโยชน์ทางใจ เมื่อคณะสิทธิ์มามากท่านก็ให้อุบายซึ่งเป็นประโยชน์ของการดำเนินจิตและการที่จะสั่งสอนชุมนุมชนความรู้รอบครอบนั้นเกิดจากความวิเวกมีประสิทธิภาพมากมากกว่าการใช้การประชุมในงานที่มีแต่โลกภายนอกเข้าปากปนซึ่งจะมีแต่ตาภายนอกแม้จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันกับผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด แต่เป็นเพียงสัญญาและตาภายนอกจึงเป็นเรื่องของความสมมุติทั้งเป็นไปเพื่อพักพวกและทิฐิมานะแต่ก็มีประโยชน์อยู่ตามสมควรเท่าที่สมมุติจะให้ได้ส่วนการประชุมในที่วิเวกและสแสวงหาประโยชน์จากการประชุมโดยการไปสถานที่วิเวกนี่แหละเป็นทางพระนิพพานเพื่อความไม่เกี่ยวข้องกังวล เป็นไปโดยเสยสหละททำตัวให้เป็นสมณะที่ถูกต้องเป็นอย่างดีต่างองค์ก็ต่างมีความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติธรรมชั้นสูงของพระพุทธศาสนามาเป็นการรวมอยู่ในใจอันเดียวกันเป็นเหตุให้คิดคน้นแต่หนทางปฏิปทาที่จะให้ก้าวหน้าในด้านนี้เป็นการรวมคณะที่หวังความเจริญซึ่งเป็นการยากเหลือเกินที่จะมีสิทธิ์อาจารย์เช่นนี้ ความเป็นเช่นนี้เองที่สามารถยกระดับการปฏิบัติธรรมกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานอันเป็นธุระสาคัญธุระหนึ่งในพระพุทธศาสนาให้ปรากฏเป็นที่แจ่มแจ้งในยุคนี้เพราะเหตุแห่งความจริงนี้เองภูเขาที่สูงตระห ง, ง่านเรียงรายกันเป็นเทือกเขายาวเหยียดจากเชียงใหม่ถึงเชียงราย ติดต่อเข้าไปจนถึงเขตพมา่าหนาทึบไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์มองดูเขียวชะอุ่มเหมือนช่างภาพมารบายสีเมื่ออยู่บนภูเขาลูกนี้เมฆสีขาวเหมือนปุยฝ้ายยังถูกลมพัดผ่านไปต่ำกว่าสถานที่อยู่เสียอีกต้นสนที่พวกเขาใช้เอามาทำฟืนจุดไฟแทนขี้ใต้มีมากขึ้นเต็มลูกภูเขาพวกชนีลิงข้างมีมาก ซึ่งมันเองก็ไม่รู้ว่ามีคนอยู่แถวนั้นต่างก็พากันมาหากินเป็นหมู่ๆไต่เต้นตามต้นไม้จากต้นไม้นี้ไปต้นไม้โน้นส่งเสียงเจียวจาวไปตามภาษาของมันแต่เมื่อพวกมันมาถึงกรดของท่านพระอาจารย์มันมันก็งงไปเพราะไม่เคยเห็นและพวกมันยิ่งส่งเสียงอึกระึกบางตัวทำชำเลืองมองยกมือป้องหน้าเบิ่งดู พวกเล้าพวกเล่าที่ผ่านเข้ามาทางนั้นอันเสียงสัตว์เหล่านี้แม้จะดังพอสมควรเพราะมากตัวแต่ก็ยังเป็นเสียงวิเวกวังเวงอยู่นั่นเองมันไม่เหมือนเสียงคนทะเลาะ ก, กันหรือเสียงคนเอะอะหรือเสียงรถเสียงเรือบินเรือหอะเพราะเสียงเหล่านี้มิได้ให้เกิดวิเวกวังเวงเลยแต่มันทำให้เกิดความไม่สงบ ก, กระทบกระเทือนสมาธิของผู้บาเพ็ญตบะธรรม ตกเย็นถึงพลบค่ำนกจำนวนมากนานาพันมันคงจะไปหากินแล้วกลับมารวงรังมันบินกันมาเป็นชุดๆหลากสีจำไม่ได้ว่าเป็นนกอะไรบ้างกลับมาแล้วก็ส่งเสียงสาเนียงต่างๆกันแม้เราจะไม่ยอมมองแต่ก็ผ่านสายตาชวัดเฉวียนเหมือนกับนกเลี้ยงเชื่องดีเสียงแหลมเสียงทุ้มเสียงหนักเบาระงมไปรอบบริเวณ ทำไมหน่อเสียงเหล่านี้จึงไม่เป็นภัยเมื่อเวลานั่งสมาธิมันกลับทำให้จิตสงบเร็วขึ้นเสียอีกเสียงนกมันก็ร้องไม่ขาดระยะแต่การทำสมาธิได้ผลขึ้นตามปกติไม่ต้องใช้ความเพียรพยายามจนเกินควรจึงหวนคิดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าอารันเยรัมูเลวาสุญญาคาเรจะพิฆโวในป่าใต้โคนไม้เรือนว่าง เป็นที่สมควรแก่การบําเพ็ญสมณธรรมเป็นอย่างยิ่งปริยญานี้เป็นเวลาพลบค่ำจำพวกจั ก, กระจันไร้มีมากเป็นพิเศษมันพร้อมใจกันจริงๆสัตว์จำพวกนี้ช่วยกันร้องออกเป็นเสียงเดียวกันดังกังวานเป็นช่วงช่วงแหลมคมเสียงนี้พวกเราจะหาเสียงอะไรเหมือนกับมันนั้นยากเหลือเกินแม้พวกมันจะพูดกันไม่รู้เรื่องเหมือนมนุษย์ แต่มันก็ยังมีความสามัคคีช่วยกันในการประสานเสียงตัวมันเล็กสักเท่านิ้วก้อยแต่มันก็มีพลังแห่งการสามัคคีรวมกันเป็นหมู่นับด้วยร้อยด้วยพันเสียงของมันไม่แตกกันออกเสียงเดียวน่าสั่นเซิญเสียงนี้ยิ่งกว่าเสียงสัตว์อื่นอย่างความวังเวงให้เกิดขึ้นยิ่งกว่าเสียงใดผู้มีจิตใจไม่แก่กล้าจริงๆแล้วจะต้องให้คิดถึงบ้านแทบอยู่ไม่ได้เลยทีเดียว แต่สำหรับผู้เที่ยวทุดงหวังเพื่อความสงบแล้วก็ทำให้เพิ่มพลังให้เกิดความสงบยิ่งยิ่งขึ้นไปผู้อ่านคงแปลกใจว่าทำไมปีพุทธศักราช2479นี้ท่านถึงพูดเรื่องป่าเขามากนักเนื่องจากท่านได้เล่าเรื่องนี้เพื่อเปรียบเทียบการวิวัฒนาการทางแก้ไขธรรมชาติแก้กันจนจะไม่มีอะไรจะแก้แล้ว เร็วเท่าไร่ก็ไม่ทันใจมนุษย์ไม่พอใจความพอใจของมนุษย์นั้นไม่มีที่สิ้นสุดท่านจึงหันมาพูดเรื่องธรรมชาติบ้างหรืออาจจะสดชื่นไปตามการอ่านเมื่อได้เวลากลางคืนท่านพระอาจารย์มันท่นเล่าว่าจำพวกไก่ป่าพระยาลอทำไมมันจึงมีมากเพราะเราจะได้ยินเสียงขันบอกเวลา โดยที่เราไม่ต้องไปตั้งยามตั้งโมงหากเราจะทำกำหนดไว้ให้ดีแล้วมันจะขันบอกให้ทุกๆยามสามชั่วโมงต่อครั้งแต่ที่พวกมันจะพร้อมกันขันอย่างเอาจริงเอาจังเท่านั้นเป็นเวลาตีสามจะต้องมาขันก่อนตัวหนึง่งจากนั้นมันก็จะช่วยกันขันเป็นการใหญ่เสียงนี้จะส่งมาไกลามากแล้วมันก็ไม่เป็นภัยต่อความสงบของผู้ต้องการความสงบแต่อย่างใดเลย เนื่องจากไม่มีเสียงอื่นเข้าปะปนเราะสัตว์พวกต่างๆคงจะนอนหลับกันหมดเสียงขันของไก่จึงทําให้ได้ยินชัดเจนมากอันที่จริงแล้วมันก็ไม่น่าจะคันให้ดังมากเท่านี้เพราะเสียงของมันอาจเป็นภัยแก่มันเองเมื่อมนุษย์รู้ว่าพวกมันอยู่ตรงไหนก็จะตามเสียงของมันและจับมันไปแกงกินให้อร่อยไปพวกมันคงจะคิดกันว่าในตอนนี้ดึกแล้ว มนุษย์ผู้เป็นภัยใหญ่หลวงของมันคงจะหลับสนิทมันจึงตะโกนเสียงของมันอย่างไม่กลัวภัยแต่พึงเข้าใจเถิดว่าอันธรรมชาติก็แสดงธรรมชาติออกมาให้ปรากฏจึงหน้าที่มนุษย์ผู้มีปัญญาทั้งหลายควรจะช่วยกันรักษาธรรมชาติเอาไว้เถิดเพื่อให้ได้ศึกษาหรือหาความเย็นใจหรือเพื่อให้ท่านสมณะทั้งหลายอาศัยธรรมชาติหาหนทางให้ถึงซึ่งพระนิพพาน หรือมิฉนั้นก็เพื่อที่จะให้สมณะทั้งหลายที่ยวแสวงหาความสงบตามภาวะของท่านท่านก็จะได้ธรรมเทศนาหรือธรรมะอันวิจิตลึกซึง้งซึ่งเกิดจากธรรมชาติเหล่านี้แล้วก็นำมาบรรยายเป็นพระธรรมเทศนาแนะนำประชาชนให้เดินทางถูกต้องตามคลองคลองธรรมเพื่อจะมีประชาชนผู้เป็นชาวพุทธไม่ต้องพากันงงงานในสิ่งต่าง อันเป็นทางนำไปสู่มิจฉาทิฏฐิให้น้อยลงโดยอาศัยชาวเราช่วยกันรักษาซึ่งธรรมชาติป่าไม้ทั้งสิงสารราษฎร์ไว้คืนวันที่ล่วงไปในป่าใหญ่ที่มีทั้งเหวระหานลำทาร น, น้ำอย่างความวิเวกลึกซึ้งแก่ท่านพระอาจารย์มั่นและสิทธิผู้หวังพ้นทุกข์อย่างยิ่งนั้นเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาการยิ่งนัก ในถ้ำกลางคุนเขาลำเนาไพรซึ่งจะมีจำพวกเสียงที่ทำให้แวบวาบในหัวใจของผู้ที่มีตะบะอ่อนนั้นก็คือเสียงสัตว์ตัวใหญ่ๆเช่นเสือโครง่งเสือเหลืองช้างและงูจงอางเป็นต้นมีชุกชุมมากในคุนเขาเหล่านี้ส่งเสียงคำรามก้องจนแผ่นดินสะเทือนมันเป็นเสียงที่มีอำนาจอะไรเช่นนั้นเราเหตุแห่งเสียงสัตว์ตัวร้ายนี่เอง ทำให้พระธุดงทั้งหลายชอบทีจ่จะทุดงสู่ป่าที่ใหญ่โตในเทือกเขาอันกว้างขวางเพราะเสียงเหล่านั้นตรงกันข้ามกับเสียงนกเสียงไก่เนื่องจากมันเป็นเสียงไม่ไพเราะสนโสดเลยซึ่งเรื่องมันแสดงให้เห็นถึงความตายในเมื่อมันส่งเสียงออกมาแล้วในใจของผู้ได้ยินก็จะต้องนึกถึงตัวของมันว่าอยู่ไหนนึกว่าอยู่ใกล้หรือไกลถ้าอยู่ใกล้ ก็จะต้องมีการระวังตัวจิตใจในขณะนี้ได้ยินเสียงคำรามของเสือช้างนั้นได้หดตัวลงอย่างน่าประหลาดใจทีเดียวแต่มันก็หาฟังยากเหมือนกันเพราะสัตว์พวกนี้จะไม่อยู่เกลื่อนกลาดมากมายเหมือนสัตว์เหล่าอื่นจึงต้องมีตามภูเขาในป่าใหญ่ไกลคนจริงๆจึงจะได้เสียงมันเราจะพยายามตามเข้าไปอยู่ในดงอย่างนั้นหรือหาไม่ได้ เราเข้าไปในป่าใหญ่เพื่อต้องการวิเวกแต่พออิญเสือมันก็ชอบจะอยู่ในป่าใหญ่ที่ไกลจากคนเหมือนกันอันการทุดดงนี้ท่านพระอาจารย์มั่นและศิษย์ถือเป็นกิจวัตรทีท่จะต้องทําเป็นประจำเพราะถือมิให้อยู่ที่เดียวเป็นจำเจเลียนที่อยู่บ่อยๆก็จะทําให้ไม่ต้องเป็นปริพโธดกังวล ด้วยการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆเป็นการสแสวงหาธรรมสมควรแก่ธรรมธรรมหรือธรรมะนั้นก็อยู่ในตัวเรานี่เองทำไมจึงจะต้องไปเที่ยวหาอยู่ป่าเขาทำไมใช่แล้วธรรมะอยู่ในตัวเราแต่การไปตามถ้ำป่าเขานี้ก็เพื่อสแสวงหาความสงบให้ได้เนื่องจากจิตใจของมนุษย์ทั้งหลาย สับสนไปตามอารมณ์มากเหลือมากจนเกินควรจำเป็นต้องหาวิธีลดความสับสนเหล่านี้โดยวิธีต่างๆซึ่งก็ได้แก่การบำเพ็ญสมาธิให้มากสงบให้มากแต่การที่จะสงบใจได้นั้นก็ต้องบัทอนทางกายให้มากๆเช่นออกบวชก็ตัดไปส่วนหนึ่งออกบวชแล้วบำเพ็ญสมาธิก็ตัดเข้าไปอีกส่วนหนึ่ง ไม่ใช่แต่บวชยังต้องออกไปทุดงฉันหนนเดียวก็ตัดเข้าไปอีกเปลาะหนึ่งเมื่อทุดงก็เดินเข้าไปในป่าใหญ่ไม่มีอะไรในตัวนอกจากกลดมุ้งบาดเท่านั้นที่เป็นบริคารของนักบวชก็ตัดเข้าไปอีกยิ่งท่านตัดมากเท่าไหร่การหดตัวของอารมณ์ก็มีมากขึ้นเท่านั้นเมื่อการหดตัวของอารมณ์มากเข้า จิตก็จะได้ชื่อว่าถูกทรมานอย่างหนักหน่วงเพราะจิตมนุษย์ชอบแต่สิ่งที่เติมอารมณ์เท่านั้นยิ่งเติมอารมณ์ได้มากก็ยิ่งพอใจจึงชื่อจิตได้ถูกทรมานด้วยทำให้จิตหดตัวลงนี่คือการรับประโยชน์จากการอยู่ป่าอย่างแท้จริงท่านพระอาจารย์มั่นท่านอธิบายให้ผู้เขียนฟัง